ฟังทำกันนะเรา เ, เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วอกท็ทาดูให้ออกกายสัมผัสออกกายใจสัมผัสดูการทำทางกายการทำทางกิตใจมันเป็นกรรมที่มีผล เป็นกุศลเป็นสจ้ผลเป็นนิพพานก็ทำดีแต่ถ้าทำไม่ดีก็เป็นบาปเป็นนาโลกเป็นเปิดเป็นสุลกายเป็นสติไรชาวนการฝังธรรมเราไเปลี่ยนเรื่องนี้ดูแลกายใจ ตะวันของกายตะวันของใจมันเป็นที่เกิดแห่งกรรมได้เพราะมันมีการกระทำทำดีมันก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเหมือนเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกมันก็ได้มันการทำต่ า, างกายที่เป็นส่วนวัตถุ แต่ว่าสิ่งที่ได้มาถ้าเป็นความดีคนก็รักขโมยนีไปได้สิ่งที่เคยมีถูกโจรลักไปก็เสียหายถูกน้ำท่วมก็เสียสุกไปไหมก็เสียทีเป็นทรัพ ย, ย์สินโง่ทั้งกรรมที่เป็นเกิดพฤติการที่ใจญ่นี่ไม่มีใครมาลักนี้ไปได้ เป็นของส่วนผู้ทำเองบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ดีผู้ทากรรมชั่วก็ํำได้ชั่วและพเจ้าจึางสอนเรื่องนี้ ต, ตรงๆตรงละกายทุจริตประกอบกายสุจริตความไม่ดีเกิดขึ้นกาย ที่ว่าทุจริตระความดีเกิดขึ้นดีกาที่ว่าสุดจริตคือความดีละมันสาอันความไม่ดีจงละไวจีทุจริตจงทำไวาจีสุดจริตเกิละคําพูดที่ไม่ดีสาพูดให้มันดีสาจงละมโนทุจริตที่เป็นความชั่ว งทำโมโหสุดิตให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ดีเสาะเป็นทางจิตของตนให้ดีเสาะละอย่างนี้หรืว่าละบาปได้เกิดบุญมีกันทุกคนเห็นกันทุกคนเวลาเราหลงเวลาเราโกรธเวลาเราทุกข์ละมันสามันละได้ มันไม่ยากมันไม่ได้เปิดหาเฉี่ยหาอันบุญหรือว่าอันกุศลหรือบาปนี่มันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี่เหละเราก็เห็นอยู่คนเก็บเม็ดก็ไปหาเฉี่ยเอาใต้ไว้ทองจึงได้เหตุมาปัญหาปลาก็ต้องมุดลงไปในน้ำจึงได้ปลามา คนหางเงินหาทองก็ต้องทำหลังสู้ผ้าหน้าสุดินได้เงินได้ทองมาแต่เรื่องกุศลเรื่องมรรคเรื่องผลนี่ไม่ไ้มุดหาที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีจิตใจเอาไว้ทำความดีเอาไว้ล่าความชั่ว ขาดสอนตนแจ้งเขยตนเตนือนตนเองจนมันหมดอั่ความไม่ดีนะนะมันจะเหลือแต่ความดีเกิดขึ้นดี่กาที่ใจไม่มีความดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจก็พึ่งพาเสดได้คนอื่นก็พึ่งได้จิงอื่นก็พึ่งได้แต่ความไม่ดีเกิดขึ้นดี่กาที่ใจแล้วคนอื่นก็ดูดโลน เดีนี้โลกร้อนเพราะคนทำไม่ดีเราไม่ได้ทำชั่วแต่คนอื่นทำก็เป็นผลกระทบผลการมมันเกิดที่การกระทําคนเราคนเรานี่จึงมีศาสนามีครับสอนให้หัดกายหัดใจหัดวาจาให้มันดีมันก็จะเกิดประโยชน์ ตัวตัวเองและคนอื่นชิงวัตถุอื่นนี่คือปฏิบัติธรรมเราก็มีเวลามีจัดไว้อย่างเป็นระเบียบกลางคืนก็มีกั้งวันก็มี ตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมีวันเดือนปีเหมือนกับลงตาที่พูดเมือเช้าเนี่ยว่าจะลิ้สิบสองของสิบสีวันพระวันเจ้าวันพระวันศีนเปน8ปดค่ำแล้วแดค่ำก็สิบห้าค่ำแล้วสิบห้าค่ำ เมือหนึ่งมีสีวันเอาไว้ให้เป็นแผนที่เพื่อจะเดินไปสู่ความดีที่ขีดไว้ที่มีเป้าหมายแล้วก็มีกายมีใจเวลานอนก็ให้นอนเวลาตื่นก็ให้ตื่นขึ้นมาอั ห, าห้เป็นระเบียบมีวิ น, นัยในการในใจ ชีวิตของเรานี่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นกับตัวเองมีจิตมีวิญญาณที่ไปสู่ความดีความชั่วดูแลจิตวิญญาณาทำดีมันก็มีความสุขทำชั่วมันก็มีความทุกข์ เมืจิตมันเสียมก็เสียไปหมดฝังคมก็เดือดร้อนแดินก็เดือดร้อนพอดีถ้าจิตวิญญาณไม่ดีก็ไปเป็นกรรมพันุ์ไปติดลูกก็หล่อนลูกโควแม่มาเป็นโจรผู้ร้ายลูกมก็เป็นโจรผู้ร้ายแม่เป็นคนชี่เล่าชิยาลูกมันก็เป็นคนชี้เล่าชิยา พแม่เป็นคนดีลูกมันก็เป็นคนดีนี่ว่าจิตวิญญาณมีความสำคัญโบราณท่านจังหวาทำดีไว้เพื่อลูกทำถูกไว้เผื่อหล้านไม่ใช่หรืออยู่คนเดียวไม่ต่หนุก ก็ติดได้ช่างก็ติดได้ถ้าติดคมชั่วถ้าคนอยู่ในถ้าอยู่ในสิ่งเวดล้อมไม่ดีเช่นช่างสึกของฟาราชาในชาดกไว้ในโคกช่างที่โอกเบืองชาดเบือง แต่ว่าโจรพุทลัยไปป้นเงินได้เงินมามันก็มาแบ่งเงินกันที่คอกช้างเพราะมันไม่มีใครไปทีอข้างคอกช้างมันก็พูดกันกูฆ่ามันกูแทงมันกูยิงมันกูเตะมันกูเหยียบมันมึงต้องให้กูเมื่อกูเป็นผู้ฆ่ามันนะ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมึงต้องโ อ, อนน้อยแบ่งกันกัน ช่างศึกพระราชาแต่ก่อนเคยทรงพระราชาเคยทรงช่างศึกเข้าสงครามชนะสงครามมามากใช่เป็นช่างนักลุกคู่บ้านคู่เมืองพอได้ยินโจนมาพูดอยู่ทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นช่างดูร้ายได้ยินเสียงไม่ดี มันก็ผัวนช่างก็ถูกช่างฆ่าตายไปหลายคนเวลาจะไปจับช่างมาให้พระราชาก็าถูกช่างฆ่าเอาเหยียบเอาแทงเอาตีเอาทีิสุดพระราชาก็สั่งให้ปังานช่างทิ้งซะก็มีผัวนช่างเฒ่าแก่คนหนึ่งมา ขอพยาโทษไว้บอกว่าจะไปดูแลเองมันจะเกิดอะไรขึ้นให้ดึกเสารดูก่อนแต่ก่อนก็เป็นช่างศึกดีๆทําไมมันดูร้ายอย่างนี้ต้องมีเหตุปัจจัยอันใดเกิดขึ้นมาควรช่างเก่าแจ ก, กเลยไปดูไปดูหัวเหรียญของช่างเห็นรอยกวดเล่าเห็นรอยอะไรต่างๆทิ้งอยู่แถวนั้น ก็เลยเข้าใจว่าอาจจะมีผงโจรมาอยู่ที่นี่ชิดหมายคำนวณไปลอยกินเหล้าลอยสุปขพุรีลอยมีดลอยขวนรลอยสัตาอาวุธบอกลูกปืนอะไรต่างๆมีดาบมีขวนซ่อนไว้ก็เห็นได้โดนแล้วว่า ถ้าเป็นโจรที่มาพูดกันที่นี่ยังผระช่างศึกปราชาาดสังเป็นช่างพยศตุร้ายมันได้นิสัยแบบโจรโจรฆ่าตีแทงอยู่นี่ก็เลยเอาพระสงไปอยู่ที่นั่นไปสวดมนต์แผ่เมตตาหลายวันสวดมนต์ด่าว่าเจ้าใันมีเมตตาคุณนาละความชั่วดำความดีให้ช่วยเหลือ ให้รูจักแบงบานให้รู้จักอะไรต่างๆเหมือนก็พูดให้ฟังอยู่นี่แล้วความช่วยทำความดีของพระวัดป่ามหาวันนี่ยไปสวดมนเราก็สวดมันก็สอนกันอยู่อย่างนี้ก็ยิ่งเหตุมีเหตุปัจจัยก็ยิ่งได้สนุกพูดดีให้ช่างฟัง เดินวนตอนเช้าตอนเย็นสายบันไปจ่างเสร็จกป็ปวกเปียกปวกเปียกเห็นว่าไปก็รู้จักจากรอบรู้จักบ่รู้จักหลุดถูชูงวงไม่หน้าบืดหน้าเบืงออวันจนลงมาเหมืนอนกับคนเราที่มีความยิ่มเยี่ยมเฉลิมใสเมื่อได้รับลดพระธรรม ากความส่รหมองก็เบิกบานขึ้นมาจากใจร้ายเป็นใจดีขึ้นมาช่างศึกพระลาชาก็เห้นเดียวกันมาแสดงให้ความหมดพิษหมดภายวันช่าง เ, าเก่าแก่ก็เลยขี่ช่างเข้าเมืองไปอาบทุนพระลาชาช่างที่พยศหมดพิษแล้วหายพยศแล้ว ไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้นุกแก้วนุขขนท้องไปอยู่กับฤาษีก็เป็นผู้จา๋าไพโรนุกแก้วนุขขนทองถูกไปอยู่กับโจรก็ดูลยอยคนเราเนี่ใกล้คิดอยงใดก็เป็นความดีอนนั้นแล้วใกล้กับธรรมะกับศีลกับธรรมมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยนะกายทุจริตมันไม่ดีเกิดกับกายเราก็เห็นหยุดจ้า จะทำชั่วประโยชน์การทำชั่วมีสตินะว่ากีิชุดจลิตที่เป็นพูดไม่ดีคำหยาดพูดโสชีดพูดปรเจื้ อ, อก็หัดพูดความดีซะใช้วาจาใช้เป็นประโยชน์ให้เกิดมีคนมีประโยชน์ขึ้นมาซะมันก็อยู่กับเรานี่ลกูกหลานก็ได้ยินอย่าทะเลาะว่าการให้ลูกให้หลานเห็น เยี่ยมเยี่ยมจสายมันก็จะเป็นความดีเกิดขึ้นที่ลูกที่หลานโบราณท่านสอนลูกสอนหลานดีสมัยก่อนเวลาลูกเสาตั้งครนแม่จะให้ทำบุญักบอดหัดแจกยาหม่องยาแมงไปล่างถ้วยล่างชามที่วัดวาล า, ามสามทานฉีน <c oughs> ห้ามเข้าครัวห้ามฆ่าสาัตว์ห้ามไปเจ็บเสียงเจ็บของคนอื่นให้ปฏิบัติขณะที่ตั้งคารตั้งท้องจะกราบไหว้ใจดีดีเ่อเป็นพ่อก็ไปกำลังใจ ให้อบอุ่นให้ความสบายใจลูกมันก็เกิดเป็นคนดีแล้วป้อนข้าวลูกแม่ก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาแม่ป้อนข้าวลูกระหว่างสองคนดูหน้ากาันแม่ยิ้มลูกก็ยิ้มแม่หน้าบูดลูกก็หน้าบูร เวลาจะเอาข้าวใส่ปากลูกแม่ต้องอ้าปากอ้าปากให้ลูกดูหัวยิ้มลงมาพอลูกอ้าปากก็ข้าวป้อนเข้าไ ป, ไปแม่บ อ, อกไม่บอกฮะนี่ว่ัฒนธทําดีเวลาอนมใส่ปากลูกก็ใจ ด, ดีดูหน้าลูกแม่ลูกก็ดูหน้าแม่แม่ก็ดูหน้าลูกชจดีดีไอ้นมลงไปใน เลือดในอกของเราพนวัน น, นี่บราณท่านสอนอย่าง น, นี้ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วเกิดขึ้นบางก็ทิ้งให้พ้นเฉยๆเลี้ยงวางทีก็ไม่ได้นิสยัยเลยเลยบางทีตั้งคันก็ไม่ตปฏิบัติอุ้มท่องอุ้มคนไปดูคนข้าสัตว์ไปดูการเล่นกันบันนั้นไปดูหนังดูละคร เรามีท่องมีการในใจน้อยมักจะใจเป่ะใจบางโกรธใกล้มองหาง่ายไปเที่ยวเตเล่ลดอนเที่ยวล้งหนังนองละครอุ้มท่องไปดูกานเล่นการฆ่าจัดลักขโมยบ้างก็มีลกลายเป็นคนไม่ดีสอนยากสอนยากเด็กทุ ว, วันนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อน ดูคนทุกวันนี่นะเด็กน้อยทุกวันนี้สมัยก่อนเราก็เป็นเด็กมันไม่เหมือนเด็กทุกวันนี้มันต่างกันไปจริงๆงดบหมดบ้องเดือดเขินกับคนทุกวันนี้มันไม่เหมือนคนสมัยก่อนเลยเราเป็นเด็กเราไปเป็นลูกเป็นนักเรียนโอ้ยครูครูนี่เดินคนเท่าคนเฉยนักเรียนยืนเดินผ่านมานักเรียนตอง นั่งลงลก็ล้มครูเดินผ่านมายืนเข้าแถวเขลกทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อ่านหนังสือครูสอนแบบเรียนเด็วใหม่เด็กชายใหม่ลักปูเป็นเด็กดีเตืนน่นแต่เช้าทุกวันพอลุกขึ้นก็จัดแลยปัดที่นอนเทียบรอย ได้จึงไปล่าหน้าแปลงควนันรีบทํางานช่วยช่วยเหลือพ่อแม่เช็ดเช่ดถูเหลืองเป็นต้นรีบเสิร์ฟข้าวแต่งตัวโรงเรียนให้ทันเวลาทุกวนันเมื่อเลิกจากโรงเรียนรีบมากับบ้านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบทํางานช่วยเหลือพ่อแม่เวลาเลิกโรงเรียนมาถอดเสื้อผ้านุ่งเสื้อผ้าเพื่อใหม่วิ่งลงทุ่งนาไปขี่หลังควายอยู่น่นโซมือนี่ คีรุบอใช่เหรนอมบานอมเมืองเพราะนั้นมันจริงสิ่งแวลดล้อมมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีจะไปสอนหน่อเพราะแม่มันก็สอนไม่ได้เอามาให้วัดสอนมันก็สอนไม่ได้ <c oughs> ยิ่งเหมันจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยเคยสอนเด็ก น, นี่เด็กเดี๋ยวนี่ย เอกยาเสพติดสมัย20สปีก่อนน้องพ่อเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้ช่วยเหลือคนที่เล่าชิยาของเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อโมไซว่อไม่มีเงินให้ผูกคอตายขึ้นไ้ผูกคอบนเล่าเข้าพ่อเห็นเอาลงมาช่วยพ่อยอมไปขายขวายชื่อหมไอซให้ ครับ่บอชื่อหมองใสเราก็ไม่พอเลยลติดยาเสพติดติดยาเสพติดก็ออกมาให้เจ้าหน้าที่จากกองร่วมกันกับลงไยบ้านกับผู้กองในเจน้าข้อนี้ให้ผู้ใหญ่ บ, บ้านกำนันสํารวจอุคนที่เป็นภัยต่อสังคมมีใครบ้าง ให้จับตัวมาพ่อแม่ก็รลูกก็ยอมรับก็เอามาให้แล้ก็อบรมทีจวัดเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมานอนเฝ้าแต่ตู ว, วัดผู้ขอทองตำรวจก็มาเฝ้ามาเข้า่ายปฏิบัติธรรมเจ็ดวันหมอเหมอช่วยแต่คนบางคนมันเชี่ยนยาบา้า เราบอตรงมอมบมบัดมีตึกเส้งหนองสองใจที่ตรงหวานแจ้งข้อลําหรับดูเลยพป็ยาเสพติดสอยก่อนแล้วก็เคยไปช่วยที่เนั่นอยู่ที่วัดด้วยมันก็ไม่อยู่เชียเหมือนปินกระแพงออกอไปกล้งคืนก็ไปมาเช็คดูแล้วมันใครบ้างที่ไปเราก็รู้บอเราลูก ก็ตามไปบ้านไปพูดกับพ่อไปพูดกับหลึกว่าเราจะช่วยเหลือแต่พ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ตำรวจทางหานก็ช่วยไม่ได้หมอช่วยไม่ได้แล้วครูก็ช่วยไม่ได้เราจะช่วยเหลือเป็นขั้งสุดท้าย ต้องกลับไปก่อนจะอยู่วัดเจ็ดวันหลยอจะอยู่ในคุกสิบปีมันมีขีดวันทัดไว้ใครก็รู้ลูกของพ่อใครก็รู้พ่อก็รู้เธอก็รู้ถ้าอยู่วัดเพียงเจ็ดวันอดทนเอาถ้าไม่กลับก็ไม่เป็นายแต่หลวงพ่ออยากให้กลับถ้ากลับก็ไม่มีลงโทษอะไรเดี๋ยวนี้เรามี ความช่วยเหลือทั้งฝ่ายฝ่ายทั้งตังหวัวทั้งหมอทั้งวัดทั้งครเหลือแต่เธอคนเดียวพูดดีๆอย่างนี้แม่พ่อแม่ก็ ก, ก็ไม่ไม่ไหวแล้วเป็นทุกข์รดร้อนคูก็สอนไม่ไหวผู้อหญ่บ้านกำนั้นปกครองไม่ไหวจึงเอาไปอยู่วัดกับษาให้ตัดสินใจแท้ไปก็ไปวันนี้ หรือจะไปเพิ่มกันกับหลวงตานี่ก็ได้แล้วก็นั่งพระเจ้าคุกพ่อเขาไปส่งมันก็ปั่นนั่นนะเอราว่าทุกวันนี้สมัยก่อนมันไม่มีหรอก <c oughs> เขาคุณั่งพิมพานางสิหาหมายาพระเจ้าสโ้าตทา่าทำไมได้ลูกเป็นพระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งพระเวสสันดรกับนางพุทธดีทำไมเจ้าในลูกเป็นประเวสสันพระเจ้าคงสงสัยกับพระนางพุทธดีในลูกชายเป็นพระเวศสันดรทำไมจึงเป็นคนดีเอามีป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันก็มีการสิ่งแวดล้อมที่ดีคิดเช่นเอาไว้ มีเสินมีท ร, ร ม, มีวิธีปฏิบัติเอาไปใช้ในงานในการในบ้านในเรือนมันอยู่ที่กาที่ใหญเรานี่จึงจำเป็นมากไม่ใช่ว่าตัวเราคนเดียวในโลกนี้มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราแผ่นดินแม่น้ำอากาศป่าไม้สัตว์สาหลาสิ่งสิ่งแวดล้ม เราต้องพึ่งฝาใส่ทิ้งเหล่านี้ขาดอากาศไม่ได้อากาศมันต้องมีอยู่ในธรรมชาติแต่นี้คนก็ทำลายหมดแล้วไม่มีหลไยเหลือแล้วโดยพอพวกเราอยู่บนที่สูงไม่ดูแลรักษาจิงแวโล้มอันตรายอนาคตสั้น เวลาฝนตกมาไม่มีต้นไม้มีป่าไม้ไม่มีอะไรที่ขวงกันหน้าดินดินก็ไหลลงหนีจู่ห้วยหนองของบึงห้วยหนองของหมูเขินตื้นดินก็เสืมม่อมโทรมแต่ก่อนนี้ปลูกข้าปวปูกเตยปกูกขาวโพด อกมันสมัยก่อนก่อนหัวเท่าเขียนเท่าขานี่ยทนี้สองปีก็ได้เท่าดน้ามีดและหมดโุ้ยหมดสิ่งที่ผมลงดินมากมายมันก็ไม่คุม้มไปเห็นหลังก่า บ, บัดประเทศอินเดียเห็นหน้ากลัวมาก ประเทศอนเดียลังกระบดเป็นรหนึ่งปูเขาแดงฉานไม่มีญ้าไม่มีต้นไม้ชักต้นมีพายุฝุนเกิดขึ้นน่ะลงไม่หยุดไม่เป็นเลยพอายุฝนมันหมุนเนี่ยเหมือนกับลมหงกุดเนี่ยคนอยู่ไม่ได้สัดอยู่ไม่ได้ไม่มีอากาศหายใจอาหารการกินก็ไม่มีจําเป็นต้องกุปภัยยุ เราอยู่แถวแม่น้ำโครงการในถนนเชิญลาแม่น้ำอะไรต่างๆงก็สกปรงกลายเป็นขนจรจัดหาขอทานไม่มีที่อยู่อาศัยธรรมชาติเหมือนขับไล่ที่สูงเพราะทำลายธรรมชาติ ไม่อยากให้ประเทศไทยเราเป็นเช่นนั้นเราจะพวกพวกเราอยู่ที่สูงเนี่ยที่ราบสูงเนี่ยแล้วดูแลไม่ดีแล้ก็เสื่อมโทรมได้ง่ายถ้เาเราเป็นคนดีให้ดูจากถนูถนงที่หดที่เป็นที่ทำกินของเรามีที่น้ำไหลปลูกขา่าวลูกขิงปลูกกูเ้เหยือปลูกพืชไร่มันขวงดินไว้สักหน่อย เพ <c oughs> ื่อให้มันจะรอหน้าดินที่มันจะไหลลงไปจุงไอ้หนองของเบึงน้องจามาอยู่นี่ก็เห็นตรงที่น้ำไหลลงเขาไปเนะึ่บูกออกหยใจสามสิบกอแถวนี้กอดยืดดินไว้ชักหน่อย ถ้าที่นี่เป็นป่าชาว บ, บ้านก็อยู่ได้ไม่เห็นอันนี้สงทิ้นวัดป่าสุโกโตแต่ก่อนวัดป่าปงป่าหญ้าคาแล้วก็ดแูแลพยายามเรปลป่าอกป่าขึ้นมาลงทนุนลงแรงลง่องระแพงเดี๋ยวนี้ปว่ป่าก็หมดแล้วหญ้าปงหญ้าขาก็หมดกลายเป็น แหล่งอาหารยิ่งใหญ่ที่สุดที่วัดป่าสุขตูเหตุออกหลงต่อไปส3สวันนี้เจ้กันตลอดวันได้คนไกลไปตอนไหนก็ได้เคีียหาเห็ดหลังหงกเห็ดหน้าขาวเห็ดทานเห็ดพึ่งเห็ดขมเตมไปหมดเลย เพราฉันธรรมชาตินี่ก็ช่วยเราอยู่ต้นไม้ที่มันเคยอยู่นี่มาช่วยเราอยู่เหมืนกลองอากาศให้เราหายใจได้ออกซิเจนถ้าไปในที่ไม่มีต้นไม้เราจะรู้สึกยังไงหลวงพ่อเดา ว, ว่าหวานไป บ, บ้านน้องชายแล้วก็ชวนเขาชวนไปก็ไม่ อยากให้ขึ้นมาง่ายเขาบอกว่าเมืองมนุษย์โวรรไม่อยากอยู่ก็อยู่ในเมืองสวรรค์หนึ <c oughs> ถ้าต้องไปบ้า น, านดั้งไม่ได้เด้อมนุษย์สวรรค์มันไม่เหมือนเมืองสวรรค์นิพพานที่บนหลังเขามันก็สัมภพอะไนเี๋ยรเชิง <c oughs> ด้วยการขขหลายหลายอย่างโดยเฉพาปฏิบัติธรรมนี่แหละเปลี่ยนกายทุจริต แลาความชั่วดีกายทำความดีที่ใจฝ่าจาะกายใจของเรานี่ให้เปลี่ยนให้แจ้อยู่ที่ไหนก็แจ้อยู่ที่นั่นลักกายอยู่ที่นั่นวันนี้เราก็มีเป็นวันเป็นเดือนก้าเดินอ่าอ่าก็บทไปรดดเรื่อย เราันเวลามันก็หมดไปแล้วก็โต ว, วันโตได้เวลาได้ความเป็นประโยชน์ต่อเรามี่ไม่ทําเพิ่มขึ้นมีความะหลิดเพิ่มขึ้นมีความดีเพิ่มขึ้นให้มีมากๆับไปบ้านจูกลูกหลานพูดจาดีๆคิดดีๆทำดีๆให้ทูกหลานเห็นก็จะเป็นชีวดตรอมที่ดี